เรื่องอุปการชีวกข้อ11อาชีวกชื่ออุปการได้พบพระผู้มีพระภาคเสด็จดำเนินทางไกลณนะ์ระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าอาวุโสอินรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพันธุ์ของท่านบริสุทธิ์ขุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใคร เมื่ออุปการชีวคุณถามดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาตอบอุปการชีวว่าเราเป็นผู้ครอบงาธรรม ท, ทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้แปดเปื่อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตต่สรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลก เพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเพียงผู้เดียวเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสได้แล้วในโลกเราจะไปเมืองหลวงแห่งชาวกาสีประกาศธรรมจักตีกรองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปกาชีวกทูลว่าอาวโุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปการเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วอุปการชีวจึงทูลว่าอาวโโสควรจะเป็นอย่างนั้นโครงสีสะแล้วเดินสวนทางหลีกไป